สิกขาบทวิพัง1น3 7าคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอเ น, นึ่งใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่เป็นไข้คือผู้ขาดนมเปรี้ยก็ยังมีความพาสุก ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือผู้ขาดนมเปรี้ยวย่อมไม่มีความพาสุขที่ชื่อว่าน้ํามันได้แก่น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดงาน้ํามันจากเ so มล็ดผักกาดน้ํามันจากผลมะสร้างน้ํามันจากเมล็ดละหุ่นน้ามันจากเปลวสัตว์ที่ชื่อว่าน้ําพึ่งได้แก่น้ํารสหวานที่พึ่งทําที่ชื่อว่าน้ําอ้อยได้แก่น้ํารสหวานที่เกิดจากอ้อยที่ชื่อว่าปลาพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสัตว์ที่เกิดในน้ํา ที่ชื่อว่าเนื้อได้แก่เนื้อของสัตว์ที่มีมังสาเป็นกัปิยะที่ชื่อว่านมสดได้แก่น้ำนมโคน้ำนมแพะน้ำนมกระบือหรือน้ำนมสัตว์ที่มีมังสาเป็นกัปิยะที่ชื่อว่านมเปรี้ยวได้แก่นมเปรี้ยวของสัตว์มีโคเป็นต้นเหล่านั้นแหละภิกษุณีไม่เป็นไข่ขอมาเพื่อตนต้องอบัตทุกกฎในขณะที่ขอรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจากฉัน ต้องอบัตทุกกฎเพราะได้มาเธอฉันต้องอบัตปาติเสศนิยะทุกๆคำกลืน